สิขาบทวิพัง844ร้อคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้โอกาสชื่อว่าที่กำบังได้แก่ ที่กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านต้นไม้เสาหรือพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์ดิรัชานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เดียงสาสามารถจะยืนเคียงคู่สนทนากันได้คำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกัน คำว่า 2. ต่อสองคือชายและภิกษุณีคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอบัตปาจิตตีคำว่าหรือสนทนากัน <artist> คือสนทนาอยู่ในระยะช่วงแขนผู้ชายต้องอบัตปาจิตตียืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันพอระยะช่วงแขนต้องอบัติทุกกดยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรตบันดอหรือสัตว์เดรัจฉาน ตัวผู้ที่มีร่างคล้ายมนุษย์ต้องอบัตทุกกฎ